คำว่าธรรมมีความละเมอียดอ่อนมากเกินกว่าจะพาดจะหมายจะคิดจะด้นเดาใดๆทั้งสิ้นถ้าจิตไม่ไปสัมผัสเองจะไม่รู้ว่าธรรมคืออะไรเลยนับแต่สมาธิธรรมซึ่งเป็นธรรมขั้นพื้นๆก็ต่างขึ้นไปโดยลำดับจนกระทั่งถึง ทำขั้นวิมิรือพนเป็นความละเอียดละ อ, อเข้าไปโดยลําดับตามขั้นของตนของตนคำว่าโลกกับธรรมนี้คือจอมปราชผู้รู้รอบขอคิดในธรรมทั้งหลายอย่างประจั์และสมบูรณ์เต็มที่ในพระไถยคือพระพุทธเจ้า แต่ละองค์องค์แล้วยึงได้ให้นามว่าธรรมอันเป็นคู่เคียมของโลกเมว่าโลกนี้มีทั้งฝ่ายอาธรรมอยู่ด้วยมีทั้งธรรมด้วยแทรกอยู่ด้วยกันตัดทั้งหลายจึงมีการแสดงพิริยาชั่วและดี อยู่เป็นประจำเพราะคำวมาโลกมันมีมีได้ทั้งสองฝ่ายธรรมก็แสดงออกมาได้ฝ่ายอาธรรมก็แสดงออกมาได้เปมนคำว่าธรรมล้วนนั้นจะสัมผัสได้จะเข้าใจและแสดงได้ไประจับรับพอใจเท่านั้น ใจเป็นผู้แสดงได้ใจเป็นผู้สัมผัสรับรู้ใจเป็นผู้ส่งซึ่งเรียกว่าธรรมธรรมนี่แหละที่เป็นพื้นฐานในโลกได้รับความร่มเย็นพอพักผ่อนหรือพอยับยั้งพอ มีเกาะมีดอนให้สัตว์ทั้งหลายไดยอาศัยพึ่งพิงในเวลาจำเป็นจริงๆก็พอได้เกาะกอได้ยืดเหมือนอย่างความแผดเผาของอธรรมมีมากมีน้อยแสดงขึ้นภายในกายในจิตของสัตว์โลกแผดเผากายจิตของสัตว์โลก ก็ย่อมมีทมเป็นเครื่องบรรเทาเป็นเครื่องรักษาเป็นเครื่องพึ่งผิงพอปลเรื่องหรือบรรเทากันไปได้เป็นระยะระยะหากไม่มีทมเลยไม่มีโลกใดที่จะร้อนยิ่งกว่าโลกของสัตว์ที่ปราดจะจธรรมมีแต่โลกล้นล้วนแสดงก็ก็คือมีแต่อาธรรมล้นร้ว น, นแสดงแกรเผ่าเหมือนกับว่ามีแต่ไฟอย่างเดียวไม่มีน้าเป็น เครื่อนดับไปบ้างเลยนั่นนะโลกร้อนมากตรงนั้นนี่พูดพอเป็นแนวทางให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายได้โอปนญยกิกน้อมเข้ามาสู่ใจของเราในระยะที่ไม่รู้ภาษีภาษาอะไรเลยสนใจไปตามอำนาจแห่งความดึงดูดคือความจุดลากของอัธรรมโดยถ่ยเดียวยอมจะแสดง ความทุกข์ความลำบากแล้วถูกฉุดลากไปสู่ความทุกข์ความทรมานโดยให้ความหวังเอาความหวังมาหลอกไปเรื่อยๆไม่มียับยัง้ง <c oughs> ไม่มีเศษไม่มีแดนเลยนี่คือเรื่องของอธรรมเป็นอย่างนีน้แล้วในระยะนั้นแหละ เป็นระยะที่มีความทุกข์ความลำบากมากภ า, า, ายในจิตใจของสัตว์ของเราระยะใดพอพอเราได้มีความรู้ลึกภายในอัดในธรรมมีสติเป็นเครื่องรักษามีสติปัญญามีปัญญาเป็นเครื่องกลั่นกรองพิจารณาระยะนั้น หรือเวลานั้นถ้าเป็นโรค ก, ก็เท่ากับได้ยารักษาหรือบันเทากันไปได้โดยลำดับเพราะยากนี่หมายถึงบุคคลแต่ละคนคือเรานักปฏิบัติแต่ละองค์ละรูปละละละหลายนี่ดูเอาตรงนี้ ถ้าเวลาใดสติไม่มีสติร่มลุกคุกรานมากปัญญาหาทางเกิดไม่ได้เลยเพราะกระแสของอิเล็ตรมันพัดมันผันเวลานั้นความทุกข์ภายในจิตใจมากร้อนก็ร้อนมากความส่แสความม้าวุ่นขุ่นมัว ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วรวมลงไปก็เป็นกองทุกข์รวมอยู่ภายในหัวใจดวงใจที่หาสติหาปัญญาเครื่องต้านทานไม่ได้นั่นแหละเพราะกระแสของกิเลสตามปกติแล้วมีความมุนแรงอยู่โดยลำพังตนเองเสมอนอกจากไม่แสดงผ่ากผลนอยู่เรื่อยๆเท่านั้นในวงผู้ปฏิบัติ เพราะในอาศัยธรรมสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมเป็นเครื่องกาจัดปัดเป่ากันอยู่ไม่ได้ปล่อยให้ฝ่ายอาธรรมทาหน้าที่ของตนโดยถ่ายเดียวยิงพอฟัดพอเวียงมันไปได้แม้จะ ล, ล้ล ม, มลุกคุครานหรือความทุกข์ควบากก็ยังมีหวังที่จะได้สงบตัวลงเพราะอำนาจแห่งธรรม พาให้สงบตัวได้นี่ได้เคยพูดให้บรรดาท่านทั้งหลายฟังเพราะเคยอยู่กันด้วยกันมานานการพูดทั้งนี้พูดเพื่อเป็นค่าเต็ได้ยึดได้ถือเป็นหลักเป็นเกณฑ์ไม่ได้พูดเพื่อเพื่อความโอ้อวดแต่ประการใดรดังพระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงธรรมให้บรรดาสาวกหรือแก่ผู้ใดก็าตาม บางครั้งท่านทรงยกพระองค์ขึ้นเป็นหลักเป็นประธานเป็นตัวประกันนั่นไม่ใช่พระองค์ตั้งใจจะประกาศหรือโอ้อวดพระองค์เองให้โลกทั้งหลายได้เห็นว่าพระองค์นี้เป็นผู้อัศจรรย์ด้วยการโอ้อวดไมได่อัศจรรย์ด้วยความจรงิงแต่ความจริงพระพุทธเจ้าทรงประกาศความจริง อันเด่นในพระไทยทั้งฝ่ายเหตุและฝ่ายผลให้เป็นคติตัวอย่างและเป็นวิธีวิธีทางเดินให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายได้ยึดได้นำไปปฏิบัตินั่นแหละไม่ได้มีการโอร้อวดแม้เม็ดหินเม็ดทรายเข้าไปแทบเลยเพราะธรรมที่แสดงออกมาและพระไทยที่มีความมุ่งหวังต่อสัตว์นั้นเป็นพระไทยที่เต็มด้วยเมตตาลม ยังแสดงออกมาด้วยวิธีการใดที่สัตว์โลกจะหรือผู้มาส ด, ดับตรับฟังแต่และพวกละคณะแต่และบริษัทบริวารจะได้เข้าอกเข้าใจได้เป็นคติเครื่องยึดเหนี่ยวจากพระ อ, องค์ไปพระ อ, องค์ย่อมจะแสดงอุบายวิธีการนั้นๆเพื่อให้ท่านเหล่านั้นได้ยึดเป็นนักเป็นตอนหรือเป็นคณะคณะไปเพราะฉะนั้นการ แสดงของพระพุทธเจ้าจะเป็นวิธีใดก็ต า, ามเช่นการยกพระองค์ขึ้นเป็นจักขีพยานก็ต า, ามจึงไม่มีเรื่องคำว่าโกวัตรพระองค์โดยเจตนาแฝงอยู่แม้นิดหนึ่งเลยแต่เป็นเรื่องของพระเมตตาลุ่น้วนที่จะที่เกิดขึ้นในพระไทยที่เป็นอยู่ในพระไถยว่าทําอย่างไรสัตว์ทั้งหลายจึงจะได้อุบายได้แนวทาง หรือเรายื่นมือไปจึงจะจับมือเราได้เพื่อเราจะได้ฉุดได้ลากขึ้นมาจากที่หลมนึกพระองค์จึงได้ใช้อุบายต่างๆเต็มพระสติกําลังความสามารถของศาสตาองค์เอกนั่นแหละไม่ว่าศาสดาองค์ใดพระไทยนี่จะเต็มไปด้วยพระเมตตาลน้นฟ้าเหลือแผ่นดินไปหมดไม่มีอะไรเป็นประมาณได้เลยไม่มีอะไรวัดไม่มีอะไรตรวงในพระเมตตาของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ นั่นลหละการแสดงออกของพระองค์ของพระพุธิจ้าแต่ละพระองค์จิงแสดงออกด้วยลวดลายของสัตว์ประหลาที่เต็มไปด้วยพระเมตตาแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายให้รับเป็นที่พึงพอใจตามสติกำลังของสามารถหรือว่าภาชนะแห่งใจของตนอำนาจวัสนงตนจะรับได้มากน้อยเพียงไรก็ตักตวงไปเต็มสติปัญญาความสามารถของตนนี่ ที่เราเกี่ยวข้องกับหมู่คณะเราก็มีอย่างนั้นเหมือนกันเราพูดได้อย่างอ ง, งาอาจกล้าหาญภายในความจริงที่เต็มนในหัวใจนี้ว่าเวลาล้มลุกคุกคานไม่เป็นท่าเราก็เคยเป็นมาแล้วได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังจนถึงนั่งหายใจข้าแมวข้าแมวเพราะถูกกิเลสมันย่ำยีตีแหลไม่มีสติปัญญาใดที่จะโผล่ขึ้นมาต่อสู้กับมันได้ แหลกไปหมดถ้ายกถ้าจะยกเป็นข้อเปรียบเทียบก่็ยกมีดขึ้นมาถูกมันปัดลงไปมีดขาดตะ บ, บั้นลงไปมีดเป็นเหล็กตั้งแท่งไม่น่าจะขาดแต่ขาดลงไปเพราะพลังของมันเพราะอํานาจของกิเลสมันเชี่ยวจัดขนาดนั้นนี่เวลาเราธรรมะเราอ่อนเปียกยกอะไรขึ้นมาไม่เป็นท่าเดินจงกรมก็เดินกลับแต่ว่าเท้าก้าวเดินไปเช่นั้นเหมือนกับคนตั้งหลายเขาเดินตามแผ่นดิน สถานที่ต่างๆไม่มีมีแต ก, กอะไรเลยเพราะสติปัญญาถูกมันปัดมันตีออกหมดนั่งจินน้ำลายอยู่นี่ก็เป็นมาแล้วแต่สำคัญที่ความพยายามไม่ลดละ้าลงมีความท้อถอยน้อยใจอ่อนแอแล้วจะล้มละลายไปเลยหาทางฟื้นตัวไม่ได้แต่นี่เดชะไม่เป็นถึงจะเป็นขนาดไหนความมุ่งมั่น ที่จะเอต่อสู้ที่จะเอาให้ได้นี้มันยังมีอยู่เต็มหัวใจแพ้ยอมให้แพ้เวลาแพ้เวลาไม่เป็นท่าเอายอมเวลาล้มล้มแต่ว่าล้มด้วยการจะจะลุกแพ้ด้วยการจะเอาให้ชนะหมุนไปหมุนมาอยู่เช่นนั้นวิธีการที่ฝึกทรมานก็หลายแบบหลายฉบับเพราะความอยากรู้อยากเห็นอยากให้จิตมีความตั้งอกปล่มเย็นอยากให้ จิตมีความเฉลียวฉลาดคล่องแคล่วด้วยปัญญาตามครูบาอาจารย์ท่านแนะนําสั่งสอนเรามาเห็นอยู่ต่อหน้าต่อตารู้อยู่ประจับใจว่าโอวาทคําสั่งสอนของท่านมันฉลาดแหลมคมมากก็หยิมยิ้มย่องฟังในบทใดาบาทใดไม่เคยเบื่อภายในจิตใจเป็นแต่เพียงกิเลสมันไม่ให้โอกาสที่จะดําเนินตนให้เป็นไปตามแถวธรรมที่ท่านแสดงให้ด้วยพระเมตตานั้นเท่านั้นแม้เช่นนั้นก็นไม่ลดละไม่อยาก วิธีการฝึกอบรมก็หาหลายหลายหาวิธีการหลายด้านหลายทางเช่นอดนอนนี่ก็เคยอดทดลองดูหนึ่คืนไม่นอนสองคืนสามคืนไม่นอนก็ลองไม่เป็นท่รู้เจ้าของคือมันทื่อไปหมดในหัวสมองไม่ทํางานสติไม่ค่อยดีพอยจะจะหลับไม่ดีไม่ถูกก็รู้ พอทำทดลองด้วยความตั้งสติจริงๆแต่มันก็ทื่อไปได้บางท่าที่เราตั้งสติด้วยวิธีการไม่นอนเดินนั่งนั่งมันก็จะหลับเดินก็คอยชยกชัดโจเซ่คอยงิงวงเงาคอยจ ะ, จะหลับไม่เป็นท่าอ๋อนี่วิธีนี้ไม่เป็นเรื่องไม่เป็นท่าและสนับเรางดเดินมากๆดีแต่สุดท้ายก็มาอยู่ที่ ผ่อนอาหารก้าวเข้าสู่ความอดอาหารพอผ่อนเข้าไปใจก็รู้สึกว่ามีความเบาบางความคึกความขนองของร่างกายที่ดิดผึ้งถังผึงถังอยู่ภายในตัวพร้อมที่จะรับสิ่งที่เสริมมาจากใจได้แก่ราคาตัญหาอยู่ตลอดเวลาก็เบาลง ในขณะที่ถอนอาหารและอดอาหารเพราะกำลังของกิเลสตัณหาอสวะาภาในจิตใจไม่มีมากเพราะร่างกายก่อนลงไปไม่มีเครื่องเสริมต่ อ, อันก็เสริมกันไม่ได้ทีนี้สติปัญญาเขค่อยเสริมตัวกันขึ้นมาได้ให้ยามฝึกฝนอบรมหลายครั้งไนผนก็จับเมื่อนได้จับได้ถึงขนาดที่ว่าในเวลาอดอาหารกี่วันก็าตามเจ็ดแปดวันเก้าวันก็ตาม จนถึงขนาดที่ว่าสติไม่เผลอเลยในเวลาอดนั้นลึกละลึกอะไรท่านหมดท่านหมดแต่พอมากลับมาฉันไม่กี่วันมันก็ทันบ้างไม่ทันบ้างสุดท้ายก็ไม่ทันนี่เราก็รู้แต่ก็มีวิธีนี้เท่านั้นที่จะพอบำบัดเรื่องพูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็คือว่าคนอยู่ในวัยอย่างวัยเราเราท่านท่านนี่ ราคะตัณหามักจะแสดงความบุญแรงมากยิ่งกว่ากิเลสประเภทอื่นจึงต้องได้ใช้ความอดความทนความอดผ่อนอาหารลงไปเรื่อยๆ เ, เพื่อตัดกำลังของราคะตัณหาที่จะอาศัยร่างกายนี้เป็นเครื่องเสริมจิตเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยของจิตทันสมัยนี่ทันสมัยของกิเลสอดไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้อุบาย อีกก็ค่อยสงบตัวเข้าไปสติปัญญาเราใช้เสมอดักนั้หลัการอดนี้เพียงเป็นอุบายอันหนึ่งแต่เราไม่ได้เอาเพราะการอดอาหารเอามรักเอาผลเอาสมาธิสมาบัติเอาปัญญาอาวิมุติพ้นไม่ได้เอาจากการอดอาหารเอาด้วยสติสตปัญญาศรัทธาความเพียนซึ่งอาศัยวิธีการแห่งการอดอาหารนี้เป็นปุ๋ย ช่วยเท่าแต่อุบายของกติปัญญา น, นเท่านั้นก็สุดท้ายมันก็ได้ประโยชน์ขึ้นมาโดยลำดับลำดาเห็นเห็นได้ชัดภายในตัวเองจากนั้นก็ก้าวจิตที่มันดิ้นมันดีดจนไม่มีวันมีคืนยืนเดินนั่งนอนไม่ว่ามันดีดตลอดเวลานั้นสงบตัวลงไปเพราะไม่มีกำลังเสริมเนื่องจากตตัดปัญหา หรือตัดกำลังของมันลงด้วยวิธีการอย่างนี้เพราะการอดอาหารย่อมไม่ง่วงเหางาหเอ้หนอนอดไปหลายวันเท่าไหร่ความง่วงเห้านอนก็มีน้อยน้อยลงน้อยลงหลับชั่วโมงสองชั่วโมงมันพอแล้วทั้งคืนนี่ก็มีแต่เรื่องความเพียรมีแต่เรื่องสติปัญญาตั้งตัวอยู่เรื่อยๆการพิรรรรจารณาทางด้านปัญญาเป็นของสําคัญที่จะทําให้จิตก้าวออกสู่ทำความเยียบคลายไปได้โดยลำดับ สมาธิเมื่อปรากฏขึ้นมาก็ทำให้จิตสงบรุ่มเย็นไม่วุ่นวายสายแสยิดอิ่มตัวเหมือนเรารับทานอิ่สบายจิตอิ่มตัวก็คือว่าอิ่มอารมณ์ของที่เหลืตัญหาสภาเพศต่างๆไม่ไม่ไปเกี่ยวเนื่องจากธ ร, รมได้บรรจุเข้าสู่จิตคือสมาธิทำสมถะรำบรรบจุเข้าสู่ใจใจย่อมมีความสงบเมื่อใจได้รับความสงบได้อาหารคือทำมา้น แล้วย่อมเย็นสบายนั่นแหละนําออกพินิจพิจ า, ารณาคําว่าพิจารณาพิจารณาอย่างไรอันนี้เราก็ได้ยินแต่ชื่อแต่ก่อนคําว่าสมาธิก็มีแต่ครูอาจารย์สอนให้ฟังสอนอยู่ตลอดเวลาแล้เราก็ทําให้เป็นสมาธิก็เป็นไปนไม่ได้มีแต่ความพุ่งกาั่วุ่นวายแทนสมาธิมีแต่ความทุกข์ความโลภแทนความสุขสุดท้ายมันก็ปรากฏขึ้นมาดังที่กล่าวนี่เพราอจาก เลยร่วมรุกคุขาดมาก็เป็นความสงบความเย็นปิดใจพอได้มีที่ปรงที่วางเพราะจิตไม่ไม่ว้าวุ่นขุนมัวตลอดเวลาเหมือนฟุตบอลที่ถูกเตะปิ้งอยู่ตลอดลอย่อมมีพักอันนั้นให้ใช้ปัญญาพอเราใช้ปัญญาการใช้ปัญญานี้แล้วแต่อุบายวิธีของแต่ละหลายห ล, ลายเราจะถืออะไรถือครูถืออาจารย์ถืออุบายของท่านผู้ใดามาเป็นแบบโดยจะพาะไม่ได้ถือก็ถือ อุบายวิธีการที่เราจะอานำมาใช้โดยเฉพาะเราให้เป็นเทคนิคอุบายของตนเองนั่นแหละเป็นของสําคัญควรจะนําออกมาใช้เหาบายพนี้พิจนาเรื่องก้สนสกลนาการนี่เป็นของสําคัญมากสําหรับจิตที่อยู่ในขั้นยากขั้นที่จะไวต่อราคาโทษะราคาตันหานี่ร่างกายเป็นของสําคัญพิจารณาภายนอกก็ตามภายในยก็ตา่าง พิจารณาใ้ได้อุบายต่างๆหาวิธีการที่ใจของเราที่จะสะดุดด้วยปัญญาเมื่อปัญญาแย่เข้าไปตรงไหนพิจารณาอุบายใดเบาไจิตเกิดความสโลดสำเร็จขึ้นมานั่นเป็นอุบายที่ถูกต้องแต่อุบายของปัญญาเราจะนำมาใช้ให้เป็นอันเดียวแบบเดียวฉบับเดียวดังที่เราเคยทาได้รับผลมาแล้วนั้นไม่ได้มันต้องผิดขึ้นมาเรื่อยๆเป็นปัจจุบันอยู่ยเสมอ เรื่องปัญญาต้องให้เป็นปัจจุบันเราจะไปคิดว่าออดีตที่เคยเป็นมาแล้วได้ผลมาแล้วมีความแยบคายอย่างนั้นอย่างนั้นจะมาทําให้เป็นความแยบคายในวงปัจจุบันโดยยึดนั้นมาเป็นสัญญาไม่ได้มันกลายเป็นสัญญาไปเสียรเรียกว่าเป็นป ร, ริยัติไปเลยมันไม่เป็นปฏิบัติย่นเข้ามาสู่ปัจจุบันอุบายวิธีการจะพิจารณาสติปัญญาให้เป็นขึ้นภายในตัวเองหาอุบายคิดหาเฉพาะอนิจจัง ให้จิตมุ่งต่อนิจังจริงๆพิจนาดูแต่แต่สภาพสภาพให้มันเป็นความแปรสภาพเพราะหลักธรรมชาติมันแปรอยู่แล้วทุกขังอนาตตาเหมือนกันเรื่องอรูปภาพอรูปภัณนี้เป็นของสำคัญมากอยู่ในขั้นนี้ควรจะเจริญอรูปภาพธรรมาฐานปฏิปุณิโสโคขเอที่ยินมิตรพี่นะเราอยา ก, กําหนดเวลาเวลาอย่า ก, กาหนดเที่ยวของการพริจนาว่าได้เท่านั้นเที่ยวเท่านี้เที่ยวนั่นเป็นการคิดการคาดคะเน การเดาการหมายเอาไม่ใช่ทางของปฏิบัติของผู้ปฏิบัติไม่ใช่วิถีทางแห่งการปฏิบัติให้ได้ใช้ในวงปัจจุบันสติปัญญาให้เกิดขึ้นในวงปัจจุบันจะเป็นเรื่องอรชุภะใดก็ดีหรืออนิจจังทุกขังอนัาตาใดก็ตามให้เกิดขึ้นในปัจจุบันของตัวเองของตัวเองเราจะพิจารณารูปนอกก็ได้รูปในก็ได้ไม่สําคัญเพราะสมุทัยเป็นมาได้ทั้งข้างนอกข้างใน ถ้าสำคัญมันหมายว่าสวยว่า ง, งานตรงไหนนั่นแหละสมุทัยเกิดขึ้นที่ตรงนั้นจะเป็นนอกก็ตามในก็ตามสําคัญตนว่าสวยว่า ง, งามก็เกิดสมุทัยขึ้นมาที่นี่สําคัญทั้งนอกว่าสวยว่า ง, งามผ่านน่ารักให้ชอบใจก็เป็นสมุทัยขึ้นที่นั่นเพราะฉะนั้นการพิจินนาด้วยมรดเพื่อให้เป็นมรดโดยทางสติปัญญาว่าสิ่งนั้นไม่เที่ยมสิ่งนั้นแปรสภาพสิ่งนั้นเป็นกองทุกสิ่งนั้นเป็นกองไอจังเป็นทุก ข, ขงังเป็นอนาตาสิ่งนั้นเป็นธาต เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟพื้นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลว่าเป็นหญิงเป็นชายว่าเป็นของสวยงามไปทําไมนี่คือเรื่องของมรรคเมื่อพิจารณาหลายครั้งและผลจิตซ้ําๆำซากซไม่ให้จิตไปไหนให้ยังลงสู่มรรคทางเดินเพื่อทะลุปุโป่งในความจริงทั้งหลายว่าเป็นธาตุแท้เป็นอนิจจังแท้เป็นทุกขังแท้เป็นหน้าตาแท้แห่งธาตุแห่งขันของเราและธาตุขันของใครก็ตาง ยึดย่ำจะปลอดโปร่งโล่งไปโดยลําดับตําหนะนี่คืออุบายวิธีแห่งการพิจารณาทางด้านปัญญาสาคัญที่ว่าเรื่องของปัญญาต้องคิดต้องคอน้นขึ้นมาให้เป็นปัจจุบันโดยลําพังลําพังโดยเฉพาะเฉพาะเราจะไปยึดอดีตเข้ามาเป็นวงปัจจุบันเพราะนั้นมันไม่ได้นอกจากจะเป็นวงปัจจุบันเป็นปัจจุบันของตัวเองเราไปคิดแต่คาดมาให้เป็นอย่างเมื่อวานนี่เป็นอย่างวานันศุนนี้ไม่ได้นั้นไม่ถูก หากว่าจะเป็นตรง ก, รกันก็ตามก็ให้ตรงในหลักธรรมชาติในหลักปัจจุบันมันตรงกันเองก็ไั่เป็นอนนั้นไม่ิดคือเป็นปัจจุบันโดยแท้นี่หลักสาคัญในการเปลีนนะ่ยนเมื่อถึงก้าวเข้ามาถึงขั้นปัญญาณแล้วความลร้องลุกคานนั้นมันเริ่มหายไปจางไปแล้วนะอืเราก็ทรากน่ะทําไมจะไม่ทราบความร้องคุกคานเพราะอํานาจของกิเลสมันเตะมันถีบมันยันไม่ใช่อะไรนใะนความสงบตัว เพราะการชำระสาสางความเตะความดันความก่อกวนของกิเลส ด, ด้วยอดด้วยธรรมด้วยสมาธิธรรมวิริยะวิริยะธรรมและปัญญาธรรมออกโดยวยกำจัดกันไปโดยลําดับดับสิ่งนี้ก็สงบตัวลงไปสงบตัวลงไปายก็มีความกล้าหาญชาญชัยขึ้นมายิ่งพิจานาะโดยทางปัญญาเห็นแจมแจ้งเข้าไปโดยลําดับมากมากน้อยเพียงไร สติปัญญายิ่งจะก้าวตัวไปเรื่อยๆกว้างขวางไปเรื่อยและะเอียดน่อเข้าไปเรื่อยความผ้าความเพียรหนุนตัวหมุนตัวไปโดยลําดับลำดานั่นแหละที่นี่คําว่าความเพียรเป็นยังไงเราก็จะรู้สติเป็นยังไงปัญญาเป็นยังไงที่ท่านสอนไม่ในตามตลำดับาหรือครูอาจารย์ท่านสอนอยู่ตลอดเวลานั้นเป็นยังไงของท่านท่านสอนออกมาตามความยิงท่านแท้ความยิงเราที่ฟังเป็นยังไงให้มันเห็นด้วยการปฏิบัติของเราเมื่อปรากฏว่าอ๋อสติเป็นอย่างนี้ปัญญาเป็นอย่างนี้ คำว่าอนิจจังเป็นอย่างนี้ทุกขังก็เป็นอย่างนี้อนัตตาเป็นอย่างนี้อัุภอัจฉรภังเป็นอย่างนี้ามันเห็นในใจของเรามันเพงจะถอนกิเลสได้เพียงคาดเพียงหมายเฉยเพียงบันปะบันเทาไปนั้นเดี๋ยวก็กำเริบเกิดสารขึ้นมาอีกไม่เป็นธาเป็นทางอะไรให้มันเห็นประจังประจักษ์เมื่อเห็นประจักแล้วไม่ต้องบอกมันจะหนาแน่นยิ่งกว่าภูเขาเจ็ดชั้นก็ตามเกิดอเรื่องของกิเลสตัญหานัะพังไปหมดมันจะทนสติปัญญาศรัทธาความเพียรนี้ไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้เทียน พาวิโตพระคุรีกัโตทําให้มากเจริญให้มากอย่าลดอย่าละอย่าไปอ้างการอ้างเวลาอ้างกะสถานที่หรือเท่านั้นเที่ยวเท่านี้เที่ยวนั่นไม่ใช่เรื่องของธรรมเป็นเรื่องของกิเลสหลอกให้เราหลงให้เราเพลินยิ้มอยู่ในความสําคัญของตอนเท่านั้นไม่ใช่เป็นความคิงอะไรเลยพิจารณานี่พูดถึงเรื่องความลงลูกคุกแขางมันล้มมาซะก่อนนั่นแหละ หายทราบไว้แบบลมได้ลุกได้ถ้ายังมีความเพียรอยู่แล้วต้องลุกได้น่แน่แล้วที่ก็เรียงกายขึ้นไปเรื่อยๆเชี่ยวชาญเรื่อยๆคล่งตัวเรื่อยๆสติปัญญาจนกลายเป็นสติปัญญาตโนมัติทั้งนี่มี ส, ะสะัตว์ร้อนอยู่ในหัวใจเราผู้มีความเพียรเนี่ยไม่อยู่ไหนนะยาไปคาดอดีตว่ามีอยู่กับพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระองค์นั้นสาวกองค์นั้นองนั้นในครั้งนั้นครั้งนั้นสถานที่นั้นที่นั้น นั่นเป็นเรื่องของท่านเป็นทุกข์ของท่านเป็นสมุทัยของท่านเป็นมรรคของท่านเป็นนิโรธของท่านเป็นมรรคผลนิพพานของท่านต่างหากนี่เป็นของเราพิจารณาอยู่นี่โธเกิดขึ้นภายในใจเพราะสมุทัยเป็นเครื่องผักเครื่องดันเ็ครื่องก่อเหตุขึ้นมาก็อยู่ในใจของเหล่านี้ตัวสมุทัยความฟุ้งเฟือเห่ห์ความดึมเนื้อดึมตัวเป็นต้นก็อยู่ในใจของเหล่านี้มรรคหือจิตปัญญาจะทาความเพียรหวดกันลงไปฟาดฟันนั่นแหละกันลงไปที่ก็เป็นมรรคของเรา อยู่ในใจของเราพกดับไปโดยลำดับความนาจแทงสติปัญญาสตตาความเปลี่ยนก็เป็นนิโรธคือความดับทุกข้องเราเองนี่เป็นสมบัติของเราโดยแท้ดูตรงนี้อย่าไปดูที่อื่นนะนักปฏิบัติดูสดสดร้อนๆ อ, อย่างเนี้ยพิเลศก็มีอยู่สดสดร้อนๆประกาศท่าทายแล้วท่าท้าทายตลอดเวลาท้าทายเราแล้วสติปัญญาเมื่อเราได้ผิดขึ้นมาก็ท้าทายกับพิเรศอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันมันจะมีอดีตอนาคตที่ไหนสัจธรรม ถ้าลงยังไม่ตายเป็นปัจจุบันตลอดเวลากับเราถ้าตายแล้วหมดคุณค่าจะเป็นอดีตอนาคตก็ไม่มีความหมายทั้งนั้นแหละคนตายแล้วนะถ้าคนยังไม่ตายและเป็นผู้ปฏิบัติอยู่แล้วจะได้เห็นสัจธรรมอย่างประจักษ์ภายในวงแห่งความเพียรของเรามีจิตเป็นสถานที่หรือเป็นเบทีห้ามหันกับกิเลสทั้งหลายไม่มีที่อื่น เราจย่าคาดจะหมายเรื่องของกิเลสนั้นผลักดันออกไปทั้งนั้นเนี่ยที่จะให้ออกร่องรอยของออกจากร่องรอยของธรรมนี้มีตลอดเวลาให้ระวังไม่อันนี้เราเป็นอยู่ตลอดเวลาเราก็ไม่ทราบว่านี่คือ อ, อุบายวิธีการของกิเลสมันผลักมันดันเราออกจากร่องรอยแห่งธรรมแล้วกว้านเข้าไปสูงเงื้อมือของมันเราก็ไม่รู้อืโดยอ้างว่าเนี่ยเราอํานาจวัฒนาน้อยเรา เป็นคนบาปหนาสาหุมีนินสัยน้อยวาสนาน้อยเป็นคนทึบคนล้าสมัยแล้วก็ทิ้งไปให้อดีตอนาคตยุ่งไปหมดแล้วทิ้งไปกับหนุ่มข้างพุทธการบ้างอดีตล่วงมาแล้วเป็นยังไงยไงสมัยปัจจุบันนี้เป็นยังไงยไงความมดหวังเลยมาอยู่กับเราความหวังที่เลียบกินหมดเลยไม่มีความมดหวังที่เลียยัดเข้ามาใส่เรา ส่วนความเรื่องที่มันจะกินมันกินไปแล้วเอาส่วนทุกข์มันยัดเข้ามาใส่ปากของเรานี่ใส่ท้องใส่จินใส่ใจหวั ง, ห, งหมดหวังอะไรก็ก้าวขาไม่ออกก็คือปฏิบัติก็ก้าวขาไม่ออกเรื่อยหมดหวังหมดหวังนี่แหละคือถูกกิเลสมันต้มมาสันอย่างเปื่อยแล้วทั้งๆั้งที่ยังไม่ตายถ้าถ้าหัดถ้าหมาอย่างนั้นนี่เป็นทางเดินของกิเลสอย่งนั้นมันขักมันนันออ ก, กออกนอกรูนอกทางกินเราไม่รู้สิพระอาจารยจึงบอกไปให้ทราบ วันนี้เป็นอุบายวิธีการทุกกิเลสมันเคยหลอกเคยต้มถุนโลกมานานแสนั้นแล้วเราก็เป็นคนหนึ่งในโลกอย่าให้ถูกกิเลสต้มตุนตั้งๆที่มีธรรมคาสองมือเจ้ามีครูเมียจางคอยนําสั่งสอนยื่นเครื่องมือหิยตลอดเวลาฟันมันลงไปด้วยสติด้วยปัญญากิเลสไม่ใช่ไม่ใช่ดินไม่ใช่น้ําไม่ใช่ลมไม่ใช่ไฟไม่ใช่อดีตไม่ใช่อนาคตไม่ใช่การสถานที่ใดๆทั้งนั้นแต่กิเ <c oughs> ลสคือกิเลสฝังอยู่ที่หัวใจในวงปัจจุบันนี้ ทำก็เหมือนกันไม่ใช่ดินน้ำลมไฟเช่นเดียวกันทำสติธรรมก็เป็นเครื่องข้ากิเลส อ, อยู่ในหัวใจเหล่านี้ปัญญาธรรมก็เป็นเครื่องข้ากิเลส อ, อยู่ในหัวใจเหล่านี้ความเปลี่ยนทุกด้านเป็นเครื่องทั้งหารกิเลส อ, อยู่ในหัวใจเหล่านี้หมุนลงไปที่ตรงนี้พระพุทธเจ้าพระองค์ใดสอนสอนลงที่ตรงนี้แหละไม่ที่อื่นเรื่องกองฟืนกองไฟบอ่อเกิดแจกเจ็บตายอยู่ที่ดวงใจใจเป็นตัวสําคัญที่ทจรับความแทรกสิง ของเชื้อทั้งหลายฝังลงที่ใจแล้วก็ทําใจให้เป็นฟูตบอลกิ้งไปพบนั้นกิ้งไปพบนี้ให้เกิดในพบนั้นเกิดไปพบนี้ถ้าหากว่าไม่มีทำแทรกอยู่ในใจก็จะมีแต่กิเลสมันหมุนตัวผักดำหรือเหยียบย่าทําลางไปให้ทําแต่ความชั่วช้าเราโมกอย่างเดียวตกเวลาตายแลงวไปก็จมลงไปนระกเอเบริกนะมีทำเป็นเครื่องแฝงกันอยู่เป็นเครื่องต้านทานกันอยู่คนเราเกิดมันก็ยังมีทางที่จะเกิดดี ตัว เ, เช่นอย่างเกิดเป็นเทวบุตรเทวดาเป็นมนุษย์ผู้มีอํานาจศาสนานิขชาสักาสก and ุภาพเบื้องความเป็นธรรมมีสมบัติุ้ิคาตบริวารด้วยความเป็นธรรมเป็นเทเดวดาอินทพมเป็นไปได้สุดท้ายก็เมื่อบุญมีมากคุณผู้สนมีมากมมา ก, ก็หนุนเข้าไปจนกระทั่งถึงนิพพานพ้นทุกไปได้เลยนี่อํานาจของธรรมเป็นเช่นนี้เอาจงตั้งใจ ป, ปฏิบัติปฏิบัติอย่าได้ลดได้ละก่อนภาคเปลี่ยนอาให้เห็นจริง อยู่ภายในใจแล้วตื่นกิเลสถูกต้อมตุนหลอกมาด้วยความหวังต่างๆนั่นหวังมานานแล้วมันไม่เห็นมีอะไรสมสมหวังกิเลสตัวใดมาทําเราให้สมหวังมีไหมมันไม่เคยมีพอหนี้มาพอจะกล้าคนนีนี้มันหลอกไปนู้นอีกแล้วพอจะกล้าเข้ามาสุดนี้มันหลอกนู้นอีกแล้วหลอกไปนู้นอีกแล้วไม่เคยให้อยอยู่ในความอิ่มพอให้มีความสุขเพราะความอิ่มพอเพราะกิเลสจัดการให้ กิเลสแต่งให้ไม่มีกิเลสสร้างบ้านสร้างเรือนกิเลสสร้างสมบัติเงินทองเข้าของกิเลสสร้างรูปสร้างเสียงสร้างกลิ่นสร้างรถเครื่องสัมผัสต่างๆให้อยู่ในความพอดีให้มนุษย์ทั้งหลายได้สเบิรความสุขความสบายตลอดไปไม่เคยมีขึ้นชั่วกิเลสแล้วจะเอาความหิวความโหยความทรมานยัดเข้าไปแทกเข้าไปแทรกเข้าไปให้กลิ้งไปตลอดเวลาด้วยความหิวความโหยความขายมีเงินเป็นล้านล้านก็ตามตึก ความหิวความหายจะมันจะแทรกเข้าไปเป็นกองใหญ่เท่านั้นอ่ะเท่ากองเมืองนั้นถ้าได้กองอีกกองหนึ่งเท่านี้จะพอดีแล้วมาอีกกองหนึ่งถ้าได้สองกองอีกเท่านี้จะพอดีจะพอดีเรื่อยแต่ไม่เคยพอดีนันี่แหละท่านว่านัตถิตัญหาสมานาทีความหิวความโหยความพยายามอย่ากอันใดจะเกินตัญหานี้เป็นไม่มีอยู่แม่น้ำมหาสมุทรก็ไม่เทียบเท่ากับตัญหานี้ได้เลยท่านจึงว่านัตถิตัญหาสมานาี แม่น้ำเสมอโดยตัณหานี้ไม่มีนั่นังสิและเรายังจะหวังอยู่หรือว่าเจ้าความสุขความพอดิบพอดีจากกิเลสตัณหามันมันตกแต่งให้อะเคยมีพอดีไหมก็บอกไม่เคยมีอยู่แล้วเราจะหาที่ไหนเมื่อมันไม่เคยมีฟังสิถ้าเคยมีก็ยังจะพ อ, พอสะพอแสวงหาได้เพราะเคยมีเราก็อาจจะเจอเพราะมันเคยมีอันนี้มันไม่เคยมีจะเอาอะไรมาเจอฮะก็ไม่จะถูกมันต้มจมไปเรื่อยจมไปเรื่อย ทำมาประกาศกังวันอยู่ตลอดเวลาเราไม่คิดไม่อ่านไม่เชื่อไม่แล้วเราจะทํำยังไงเอาสร้างความหมังมาจากไหนสร้างกองมาจากเียดไม่มีทางต้องสร้างความหมังจากทำทำนี่เคยให้ความหมังนแก่โลกมามากต่อมากแล้วพ้นทุกข์ก็เพราะทำมีความสุขความสบายก็เพราะทำทัางจัตวาทำทำไม่เคยทําผู้หนึ่ผู้ใดให้มีความล่มจมที่หายไปบ้างเลยมีแต่ความส่งเสริมให้เป็นที่ดีมงคลเป็นความสุขความสบายทั้งปัจจุบันอนาคตตลอดไปทำเป็นเช่นนั้น สร้างกวามังให้เก่ดคนมามากขนาดไหนแล้วทําแล้วกิเลสมันสร้างความมดหวังให้คนมามากเท่าไรแล้วเอามาเทียบกันเราเป็นนักปฏิบัติหาพินิจพิจารณาสิสติปัญญามีอยู่หูงต้มแจงกินไม่ได้เอาทำไมจะเอามาไม่เอามาใชา้ของพระพุทธเจ้าท่านใช้จนได้เป็นศาสดาเอกของโลกสาวกทั้งหลายใช้จนได้พ้นจากโลกนั่นใช้สติปัญญาใช้จิตาควาเปลี่ยนเอากิเลสให้กิเลสพาใช้มันได้เรื่องอะไรออื มันพาให้จมมามากกว่ามาั่แล้วทําไมไม่เข็ดไม่ล่ะมนุษย์เราไม่เฉพาะอย่างยิ่งนักบวชนักปฏิบัติเราไม่เข็ดใครถัาเข็ดจะให้ตาศีตาสาเขาไม่เคยสนใจกับอะไกับทําอะไรเออะไร์าไรมาเข็ดความรู้สึกในทางธรรมนิดหนึ่งก็ไม่ปรากฏเจ้าออไลนมากเข็ดผู้ที่สํานึกในธรรมสําสนึกในโทษพิจิตรพิจนาย้อนหน้าย้อนหลังในตัวเองโดยอัดโดยทำนี่เท่านั้า น, านเป็นผู้ที่จะเห็นโทษเห็นไัเป็นผู้ที่จะละถอดถอนได้มนตาเส้นน้านที่มีอยู่ภายในใ จ, ใจิตใจ ผมขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจพิปิจนาผมนั้นเป็นห่วงพวกท่านทั้งหลายมากทีเดียวไม่ใช่มาพูดด้วยความยดูถูกยูหยาบห่วงจริงๆรับความรับเพื่อความเมตตาสงสารไม่รับเพื่อความอะไรด้วยความอวดอํานาจศาสนาเยอะจริงๆของนั้นไม่มีย่อเรียกว่าเรายันได้เลยร้อยทั้งร้อยไม่มีอะไรบินมีแต่ความเมตตาสงสารทุนทุนเพราะนเมื่อการมาประพัติปฏิบันแล้วขอจงให้เห็นใจเราพูดอบรมแนะนำสั่งสอนว่าเจตนามีต่อพวกท่านขนาดไหน แล้วก็นำอันนี้เข้าไปพิจารณาเจ้าตัวเองให้ตัวเองมีความเมตตาสงสรร์ตนเองเห็นแก่ตัวเองโดยอดโดยธรรมมากเช่นเดียวครูบาอาจารย์ท่านมอบให้หรือยิ่งกว่านั้นจนกลายเป็นสมบัติล้วนๆของตนขึ้นมาภายในจิตใจระหว่างทำกับใจกลายเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเป็นธรรมตั้งแต่ภายในใจแล้วนั่นแหะเป็นสมบัติที่ท่านทั้งหลายจะพึงได้รับเองโดยที่ครูบาอาจารย์หรือใครๆก็ตามไม่ได้ไปแบ่งสรรมาส่วเอาได้เอาด้วยเลยแม้แต่นิดเดียวนั่นเป็นสมบัติของเรา มีเวลาเราม า, มาศึกษาให้ตั้งอกตั้งใจทำให้จริงให้จังนักปฏิบัติเวลานี้ร่อยหลอลงมากแล้วครูบาอาจารย์ปีหนึ่งตายสององค์3องค์ององก็มีแล้วเห็นใหม่เมื่อตอนต้นตอนตอน้ตนตน้ต น, ตนปีนี้ก็หลวงปู่คำดีตอนปลายปีนี้อีกก็หลวงปู่แหวนมีแต่เพชรน้ำหนึ่งตั้งหนัง้งถ้าเป็นครั้งพุทธการน่าจะพูดว่าจะไงถ้าไม่ใช่ว่าเป็นพระทหารจะพูดว่าไง นอกจากพวกหูหนวกตาบอดมันไม่เคยสนใจกบฏกับธรรมเท่าทนั้นมันจึงจะขยะกขยแยงในคำว่าอปัญหาอะหันมันจะดิ้นล้มดิ้นตายเระด้วยความก่อเสือกสนเพราะ อ, อํานาจแห่งชีเลตตันหาเท่านั้นมันสนใจไป น, นั่นเท่านั้นพวกนั้นผู้สนใจในธรรมฟังว่าปัญหาอะหันแล้วทำไมจะไม่ขยิมยิ้มย่องล่ะพระพุทธเจ้าเป็นองค์เช่นไหนที่เป็นปัญหาเป็นศาสดาของโลกเป็นองค์เช่นไหนสาวกทั้งหลายเป็นองค์เช่นไหนเป็นตัวเสนีย์จันไรของโลกหรือถึงจะพูดถึงเรื่องพปัญหาพูด ของผู้ปฏิบัติทำบรรลุทำบ้างไม่ได้มันเป็นอะไรถ้าไม่ใช่จะเคารพกิเลสจะจนไม่มีตับไม่มีผงให้มันกินให้มันยากเดียวเอ้าฟังให้ถึงใจที่ทั้งหลายกิเลสมันเอาเรามาเอาอย่างถึงใจทํำไมเราจะเอามันเอาอย่างถึงใจบ้างไม่ได้อแต่กิเลสมันเอาเอาเราอย่างถึงใจมันถึงจริงจริงมันเป็นกิเลสทุกประเภทเป็นความโกรธความวิชาพยาบาทราคาจอมเงินความเครียดความแค้นแต่เราเอามันสู้มันไม่มีเครียดไม่แค้นเป็นธรรมนักธรรมะรุ่นดวน อ๋อเห็นกันที่คุณค่าของจิเดียคุณค่าของเขาทำมันต่างกันยังไงในหัวใจเราดวงเดียวนี่ให้ชัดเี็ยหมดไปหมดไปมันอดคิดไม่ได้นะผมก็ดีหัวใจมีอยู่ทำไมจะไม่คิดแต่ก่อนกับครูบาอาจารย์มีหลายท่า น, นองค์องค์งนั้นก็เฉลีย่ยเยลี้ยจางกันไปตามอัธยาแสายของตนจะไปหาครูบาอาจารย์อะยก็ไปเพราะเป็นที่แน่ใจแน่ใจด้วยกันทั้งนั้นบรรดาครูบาอาจารย์ที่ให้กัรแนะนำคสอนตลอดการพาดําเนินก็ไม่ และงหูแส้งตา่างเพราะหลักใหญ่ก็เป็นลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์คือหลวงปู่ ม, มั่นซึ่งเป็นปฏิบัติทาผู้พาดําเนินปฏิบัติทาที่ลาบเลียบที่สุ์ก็คือท่านอาจารย์มั่นในสมัยปัจจุบันนี่ก็มีแต่ลูกศิษย์ของท่านถึงจะถึงจะแฝงไปบ้างคนเล็กๆน้อยๆไม่มากหลักใหญ่ก็อยู่ในกฎเกณฑของท่านนี่มันก็น่าไว้ใจเป็นที่พอใจองนั้นไปอยู่กับครูบาอาจารย์นั้นนั่งอยู่กับครูบาอาจารย์องนั้นฉเฉลี่ยกันไปก็เป็นน้ำไหลบ่าพาระก็ พอดีพอดีพอดีกับครูอาจารย์ที่จะรับมีทีนี่หมดไปหมดไปทําไงไม่กี่ปีมาแล้วครูบาอาจารย์องค์วิเศษดีโสเป็นทองตัง้งแทง่ทงทองแท่งหรือว่าเพชรน้ำหนึ่ง่อหมดไปหมดไปจะจะไม่มีอะไรเหลือแล้วกทำทำไงเราจะไม่ตื่นเนื้อตื่ น, ต, นตัวสร้างตัวงเราให้มันเป็นอย่างนั้นบ้างเหรือเวลาอยู่กับครูบาอาจารย์เอาให้จริงจังจังดิมันจะเป็นยังไงแห้ให้ได้ทํานนี้ได้ถึงใจดูดิจะเป็นยังไง อยู่กับใครก็มันมันไม่สนิทใจแหละให้มันอยู่กับหัวใจเราเนี่ยสนิทใจมากทีเดียวตายใจเลยั้งหมดเออเท่านั้นพอนั่นครูบาอาจารย์ก็สาธุยกไว้ให้ยึดให้เกาะท่านเหมือนอย่างแต่ก่อนไม่เกาะแต่เรื่องความเห็นบุญเห็นคุณนั้นเป็นมหากรรัตตัญูมกตเวทีแหละไม่ต้องบอกเพราะอันนี้เป็นหลักธรรมชาติเมื่อจิตได้ถึงขั้นแห่งความบริสุทธิ์แล้วต้องเป็นหากรรัตัญูมหากรรัตเวทีทันทีเลย อาชวนที่จะไปเกาะไปเกี่ยวไปน่วงไปเหนียวท่านเหมือนอย่างตะก่อนเหมือนเด็กที่กําลังดื่มนมแม่นั้นไม่เป็นเนื่องเห็นคุณของครูบาอาจารย์นั้นยกไว้เลยทีเดียวคุณบุทธชาพระธรรมประสงค์คุณครูบาอาจารย์เนี่นยยกไวมีอะไรเทียบเนี่ยใจของพระารามที่เห็นคุณเพราะใจของพระารามที่เห็นคุณนั้นเป็นใจล้วนๆไม่มีที่เหลือเขาไปเครือไปแฝงไปคัดค้านต่าง ๆ, ๆบ้างเลยนะเราให้มันเห็นที่หัวใจของเราท่านสอนสอนตรงในจุดนี้ทั้งนั้นทั้งนั้น เราเห็นอะไรเป็นของประเสรเิฐของอัศจรรย์เราเคยยิ่งเกลือกล้มตายกับสิ่งเหล่านี้มานานแสนนานนั่นแหละโลกธรรมแปดมันดีอะไรพี่นายดิมีลาเสื่อมลาบมียวเสือ่อมยวดนินทาสนัตเสริญถูกทุกแน่ทั้งสิมันก็มีอยู่เต็มหัวใจในการในใจของเราอยู่แล้วไม่มีใครมานินทาส น, สนัตเสริญโลกธรรมแปดนก็เต็มหัวใจของเราอยู่แล้วแล้วตื่นอะไรเอาทําให้สังหารสิ่งนี้มันแหลกแตกกระจายหมดถ้าเหนือจะทําทั้งแท่งอยู่ที่จะเป็นยังไงนินทาส น, ส น, สนัตเสริญมีไหมโลกธรรมแปดมีไหม มันไม่ได้มีอะไรมีแต่ความพอเลยอดีตไม่มีอนาคตไม่มีความฝังอย่างนั้นอย่งนี้หมดพรสร้างไม่เต็มที่แล้วเรียกว่าเต็มแล้วความฝังก็สมบูรณ์แล้วหมดไม่มีอะไรที่จะมากเกาะอยู่นั่นนะท่านจึงไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่มีอะไรนี่ได้หลักธรรมชาติดูตามหลักธรรมชาติถึงการที่จควรไปก็ไปไม่ถึงไม่ห่วงไม่ห่วงไม่เสียดายเสียดายมาอะไรดินน้าลงไฟ ก็ทราบอยู่เนี่ยตั้งแต่ยังไม่ตายนี่คืออะไรนั่นคืออะไรในตัวของเราเองและสิ่งภายนอกที่เกี่ยวขอ้องกับเรามันก็สภาพเดียวกันแล้วตื่นอะไรนี่จะเรียกวิญญารอบตัวเมื่อรอบตัวจกนกรทั่งรอบใจแล้วมันก็หมดปัญหาโดยการตั้งห่วงคอยทุกท่านนํางขึ้ิบัาทมาละไม่รู้สึกเกหนื่อยนะี่ย